าจะเอาไปสูงผสมก็นีถ้ามอสกพอถ้ามอสก็ถ้ามัสีสั่งจะสอนด้จะเจิมรถให้ได้สะเจิมรถคันนี้ให้สะเจิมรถคันนี้ขัดติดไผ่ึ้นแล้วเตรียมตัวสออกถึงคุณพระพุทธธรรมประสงค์เจิมรถคันนี้ยาประม่าใั่ไหมเรายาตุ้แงทังพึงหายขับรถแทงทังวอดไผ่ ก่ไหวได้มันจิดอดไั่กับไป่ท้องกูัวั่นอันนั่นละ่ะเป็นเป็นวิาชาเจิมรถอ๋อั่อ๋อมันแค่ทั้งพึ่งฝ่ายแต่ว่ได้แต่เพ่งโไปเดียวคิโทษทำโม่โัโพษเขโทษทัมโม่ทำโทษออั่านทีอธิบายเองฟังเองนหมอหนึงนั้นขับรถอยู่อุดอรชุดสองปีวสะสั่งรเป็นยังจั๊กเกอรอสั่ง้งม่พันสัจัมรอดนันจัมรอดม่าับจตัดอยู่วะั่ ผูกขบรถสับหลาบด้วยวะานตำรวจเองเห็นอยู่ผมผมตำรวจผมอะไท่านเขห่อยว่าเขาผมตำรวจได้เคลียรด้ไรท่านเขห่อยขับรถไปว่าจะขับรถถึงทั้งติดไฟสิ้นอายรถไปแลด้ไร่าตัวกุนพระพลพระท่าพระสงฆ์กุนรักกุนม่โกงเกินกันหลดด้วยท่านอมกระมือผอมข้าวาตากระไว้พ่ตาได้ลวองปูท่าน เขามาคิดโกงเพิกผิวเอวสัว่สสงวาสังัวกัดสคัแม่หลวงปู่วะสั่งเพเเสียงรถธรรมดาหรเสียงรถเสียกระต o ของจกร่กินกระต่องเจง่สั่งกินไฟไหม้รถธรรมดาหรือไฟไหมว่าอีดีกระต o ของจักร น, น่ะสั่มันมันโค้ง บอกว่าไปไวกงปูนไปไหวะเลยไปไหวทั้งนี้แต่มันโคงทังนี้เข้าไปทั้งนี้มันกแผดพินทั้งฝายเนโคงทั้งหัวแผดพินทั้งฝ่ายโคงทั้งฝ่ายแผดพินพีนทังหัวว่าทังมาว่านะเข้าไปไหวปะไรฮักจูจักแรงก็พันอึนมากเลยแย่หรสั่เ้าไปฮักมปแฮกมันเลย้รวังสิรับ้วย้อนจาก พึ่งาพึ่งนี่เห็นดอกอันอันปากแดงๆมาเหงื่อไก่เอวชิวๆดำล้วงมาสั่งชิวดำดชิวองกอง่าสั่งดำคบมาสั่งไม่ดูเหงื่อไก่เหรอสั่งเขน่อยก็มาสร้างที่นี่แต่ปฏิปักษต่อเขาได้ว่าสั่พพ้นเอ็นแต่แค่เขาสั่งไปจับมาตาย่าสั่งมาอุบายควกคันควกนี้อยากไปจับเขาสั่ ขหน่อยว่าเฮ็ดเลันมันจีบหายแลวสันรถขาน่อยว่าเป็นงลยันรถขน่อยว่ารถจังไลยเนี่เัน่นี้ผหลลคนเน่ยถ้ามันขึ้นรถมันจพาก่าอเลยสมันมักออกเลันจักพ่วงถือพ่วองห้องรจักร็ะชนะจะขับิะยังอะไเงี้ยหเขาไม่จะับักเอาคือเขาจะลื่นสีลืเมื่อห้องเสันอไปสนใจของเขาเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องยังก็ยาวงอมไรเง้ยไม่สนใจเขาไปสนใจของเขาเพราะอะไรรถรถเันงัน เขาเป็นทางเอกเขาเป็นทางโซ่อะไรหรือทางจัตตาอะไรสั่งสิ่งอันพันเข้าไปต้องระวังมัเป็นกริษก็บพวกไปได้เข้าไปส้วนล็อกเขาหันมา ก, กะ็าากะิเขาไว้ธรรมาทานตำรวจนันเนโาว่าไปได้ ล, ล็อปูเห็นเงนทางทรา้ายๆมันก็ไปท่านนี้กตาบัานพิษได้ได้ ล, ล็อกปูโคคนอย ย, า ม, า, ย, ย า, มามืน เ, าเขาแขกฐานยาหม้ออะเรลกแกงอะไรเอาล็อกหน่อย แล้วอีกอย่างนึงแบคนเขาขอขืนรถก็สั่เขานุ่งต่างเกล่ไม้แพ่ดีไม่เกี่ยไม่ยุดเาเห็นาวโบนูอยู่อยู่แล้วติดเลยต้องยิ้มให้เขาทั้งขั่นหลังขับขันหลังรับขั้นหลังรับดวนร้ายหรือพ้นเต็มแล้วเขงสั่งทีเขาเขาบอกว่าสั de, ่งนิ้วลุงยิ้เน่าดวนยิ้มให้เขาทัว่าจังว่เป็นอันตรายเลยเกี้ยกลัวกเกมากขึ้น เวลามันลงร้มันก็หายเงินนะเหมันจีวงกงมากหอดหันแตมาหอดบ้านหันหลาลูกคนเรา่ให้ข้นวาเห็นว่างมาัง้้ยโดนร้ายคลับไว้แลสั่มิจเนี่ยเขาบอกเขาฟังแค่เห็นขืนมนแล้วจีบหนามันไห่แล้วมันบ่อยเงินมาจังไปทักใจไว้สั่งไปทักใจเขาบุกื้นอยู่เวลาว่างๆสู่ไปคเยียว่บอคขืนว่าคึ้ืน เพราะว่าเูาดวนร้ายขับเยี่บางที่บางสื่อ่ม า, ม, า ant, มัน่าที่เขาบอกข่าวข้อห้อยข้ไปทัอื่นบที่แตกได้กัม้าหินได้หมดม้วนใ้หินทั่วไปได้ว่ารถเป่ารถเป่ากับม้ใหินได้หมดนะเพราะความสวัสดีตรงนี้แกเราถึงพ่พทธารรมประสงค์ปรสงค์ใว่าศาสนาอื่นที่นี่ท่านสอนเรียนพระทธธรประสงค์ไปประสงค์ใช่ว่าศาสนาอื่นละที่อื่นนัน ลาดเขาพอพทธศาสนานาะลลกมาพุศนนงงาสนาเนาะุบอลนน่อ ง, ง, นอ ง, งนเนาะมันจะพูอ่างงาอ่างอ่าาเลยไม่มาจะสงสัยว่าคำสอนไดนะใส่โรคภัิดเนี้ยคำสอนในพุจเจ้าไปเลย เ, ยเนี่ยเนียมันจะล่มสนิทเลยอสั่นว่าเออ มองส yeah, yeah, um so ั哈哈哈่ะ้ค้ายจะได้คน้ายบุญบวกบุญบาปบวกบาปแค่บาปก็เปบวกบาปแพ้บุญก็บวกบุญออหันต์เยอะเนี้ยบุญเนี้ยบาปแมนอยู่บุญพระกตพ่อแล้วบาปพระก็ละพ่อแล้วก็จะเล่นเผาตัคนใน้านยนะองสั่งอรรถวาอหันตยเนี้ยบุญเนี้ยบาปแมนอยอ่าบุญกนย่างม้อนพ่อบาปก็ย่างม้อนพ่อบุญก็น่างสางม้อนพ่อ เราไปยังละว่าท่านพ่อิตตัวเป็นรทหารตัวกินของเขาบอกเป็นเดาเนี่ยนุ่งผู้พูดเสริมว่าตัวดาวันไ LIKE ม่เช่นหาบริบูรณ์ะโมเชียอาจะรวมละหมดเช่นหาโมเชายรเาะซื้อศาสร์แต่ละอื่นนอกจากข้อพิสูศาสตร์นะโมเชียร์เราจะขอเรื่อนขอไต่เทไรเขี่ยบดูเขามังเหตุแต่ละจ้าบอกขอเรื่องขอไต ว่เสียดายจะลวงละเมิสินธิหาว่าเสียดายเลยบไยทุกประเภทรัป่าชนไฟซื้อหือดีงามดีว่าเพรัลัว่าเสียดายจะซื้อเพราะมันมาเป็นกน า, ารสังเนื้อว่าเสียดายจะลวงละเมิสิทธิหาว่าจะซื้อว่าสิทธหาเป็นเม็เป็นไ้าว่าด้ซื้อว่าสิทธนหาเป็นพวกเป็นน้ําท่าไหร่อึศยาตายคุณได้ว่มีมีสิทธิหาเราคนรนสิิอยาตายควนวางคร แต่ถ้าพรุทธเจามาสอนนคนรักษาศีนหาอึดอยากตายเพราะพุทธเจ้ากองงูคนตีทังโมที่ยงศีลหาหาคำนี้ไม่บริบูรณ์แน่로รดลาขาพันกันสิ่าจากวัตถุไรกันตรมีเอออ่นและพระทศไทยก่อนเดี๋ยวชูพุทธปรโนะเลเจ้า ตายข้ามคืนนมือไรไปสุกติ้อคแล้วเขาเชื่เฮ็ดบุญหาข้าวพดยังไลยหออเดียว้ขเขาไมาจะตายบ้านเพื่นอนเขาไมเห็ดุญหากระซางได้ตายไงนั่น้องเขาสั่นเขาตนจะค้องลหรอค่พุทธปรนโน่ละรอฮันยาไปเสียเลยดีเงี้ยมดีเยอป่วยมากเอายามา ก, กินทีหายก็หายเาตายเ่าหายก็าตายข้าพคุทกช่อันมนี่ใ่อ เดยวไปซื้อออคิสต์ต่อน่ะแล้วเพีสตัวนะี้มาทําแี๋วไปซื้อเหลือดีย่ำดียได้ก็ดีมนนะหงงมดน่ะทำว่ายามก็ดีว่าทันกะเป็นเจ็บพีก็บบาทุกสคนที่สมือได้ยามดียดยงงง็งเย็นไปตำแนงเสียีอพราะพทเจ้ามือได้มือว่าดีกเลียงมเป็นพุทธส้นพี่สมือได้ดียเพราเจ็เ็บพุทธเจ้าพี่สอะ พ, พระาหารหันนพระโดดบนมันอันนี้นเหลือซื้อสัตว์นภาพไง ข้าวโสีเลยฮาหวดตัวคนทุกนําปันี่วันตาต้งสารเถอนะนปัจจุบันนศาสตร์เลยนศาสัา่นแล้วจะหวดครอบเป็นเมซายอ๋อว่ได้เอายักว่าชักของตออันนั้นว่ได้ชักของตอสินหาว่าถือก่อน เราสั่งกันกี่บาทเดิม้อเถอะเราบานเรียวโอ้โหตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดต เขาว่าเพชรนะมุนเราแปลงเอาคือหัวขาไทยนี่นิี่เนกรตาดรอบองเขออแล้วหัจักแล้วงหัแล้วจักใจพิมุนเรามดเนี่ยถ้าพิมุเรย็ดใจยสันไดหัจักานังเดียวนี่ผู้นคนหนาตัวหันัจักบ่ันที่ว่า อ, OK P, อ, อืม ก, ก็า ม, าะะมีอันอยู่ก็มีอันว่าอะไรคําสอนอ่านอยู่<อ>เดียวมิจฉาวนิจชาคือการค้าขายไม่ชอบทให้อย่าง น, นี่นั่นไพรเป็นผู้สอนออกมาอับอายย ม, มุขทุก ป, ประเภทนั่นไพผู้สอนกับพระเจ้าข้าสอนนั่งพระเจ้าข้าสอนอันบายย ม, มุขทุกประเภทเดี๋ยน้าเมาเที่ยววงคืนเที่ก่อนเล่นเล่นการพนันก็คนเจ้าเป็นเม็ดไม่เป็นภูมิเพราะว่าสอดาบันเนอะก็ผูเจ้านั่งนั่ง พิมพ์่พราถ้าเรากรเป๋าน่สันเราลืมที่ปฏิบัติอย่นะ่อุ้ยานไปยาเายยถะวจขาสอนห้องกับห้องกับบาร์ลอทกันบวชจนพราคู่งอนกรัองอยังีอุบายเยนเลข น, น, นพาเนบ้านเล น, นเนบอรแล้ว เ, เขายัางเขาเ้าวะัวยังั่นตอร้นเเ้าจังหเป็นยังไงวะับ่ไระมันตองเจ้าอันงมาสัน่นาดาบัตรกันมาเจ้าอันนี่เจ้าอันนี้มันจะสมเ หัวเนาะไปให้บุญเอางั้นเลยงั้นพากไปแคทบุญบ่บ่บ่บ่บแม่บ่แม่บ่แม่บ่แม่บ่แม่เออว่าถือว่าถือว่าถือว่าถือเพชรเพชรอันนี้เพชชรอันนี้ว่าไรว่าไรว่าไรว่าไรว่าไร ว่าถือว่าถือว่าถือว่าถือว่าอะไรวะเนี่ยเหรอต่างเต็เพศายเกับว่าสอนวกกาสมมติคาที่าบได้เปล่านี่ผู้เอาั่งคาเรียกว่าหมือเต็มเพศชาเห็นงพวกากับผูเลยจั่งไงคันบอกงั่งคาเรียกกับผู้เอา อัหนูบอกว่าเงนเข้าเรื่องก็ท่ห์เมันเขาเร่อเ่เาฮาฮ่าบอกว่าเข้เื่องบอกว่าโอ้สนีเนี่ยเนขาอกไว้วกไอ้หมอกอกไว้วกไว้หมวกไว้หมกว้หมว้หหมวกไว้หมวกไ้มวก้กล้มมบ้หมวกไว้หมวกไวนหมวกไ ไตโลกธาตุนี่สี่เลนเลขสียินดีนัเลยเท่ากับบ่ลงห่อมอ๋าแต่าวตมุตัวเราเมดไตโลกระธาตุไงว่าอะไรอย่างว่ารวัดรเบิดเป็น้พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตว่าเป็นผู้ของขาวงดับบันวมดไตโลกธาตุี่วา่าเท่ากับบ่ลงเหอหรว่าใช่คุณละ่าเาสันว่า มันก็เป็นอย่งนัอนเนาก็พ่อเอาเสื้อพระพุทธเจ้าของพ่อตอนที่เอาพุทธเจ้าพ่อแล้วมันเตทางไหนเออมันยดมันล่วงถึงพันได้เหรอล่งถึงโลกุตละเลยมันว่าเสียว่าเสียดายละมันแต่ขั้งชิพหายต้องเลยอบายยมุกแปลว่าชิพหายอุึิศนาอุทิศปาพระพุทธเจ้าใจคืออาบายยมุกทุกประเภท เดิมน่ะเมาเที่ยวความคื่นเที่ยวดูกันเลียนเลียนการพนันครบคนจุ๊บเดี๋ยวนี้เกียดข่ า, ามทำงานในทางที่ชอบไอ้โมนี้อบาใบมกมัดเนี่ยโมีในี่ยของ พ, พสุธาวานโมีนะผู้ของชู้จุปัาานโน่มีอันนี้การพนันคือการอะรรัฐบาลเรียนรัฐบาลก็มาถึงอันพสุาบานนาวนคือการอะไรอา รัฐบาลพ่อเนี่ยจสร้างทาไมวัดรัฐบาลพ่อินขี้เพื่กินได้สูงขนานี้ผมบอกท่านว่าถรัฐบาลเนาะเนื่อน่อมมือมเห็นผิดเด่ในชิิช่ตองเชื่อว่าคนเจ้าพ่อนือือเนื้ือพระสื่อการในชวอยพระสากระซงเขายังเล่นเล่นเล่น้าเล่นาเล่นโยังฝันยังสั่งง้มฝันยังสีงอมย มวยสันนวลโรดเดียวเขาวยภาวนาอยู่สันนันตัวสันนวลมือเดียวเขาภาวาในนั hmm ่งสมาธิเนี่ยาวนาหัจักโดวจัพุ่มชิดโลดอันพักเจ้าข้าสงอยู่ด้ยก็บอว่าปนี้โน้มปนโนมมันนั่งไกเลยอัพระเจ้าพระสงอันนั่นันอันนั่นฝันอัี้ื่นเต้นโตนั่นกื่นเต้นโตนี่งช่นที่วินวบาทเขาก็บ้าน้ำกลนั่นเขานำเที่ยวเดียวแค่ไหนเข่าออกี้โดมันเป็นมันเป็นอย่างพวกชีดีหอก้งแรบนเนี่ย ถ้าออกมานี่เป็นเครื่องตัดหินเสมอเนี่เครื่องตัดินผู้ว่าอายการและมูเรียนในงานโยมพูดได้ยังไรเรียกเลยขาเรียนดเยนเบอร์ย่างยิงดีในทั้งกงทั้งออมทังไก่ทั้งไกเยหลือห้ยพุทโทกพุทโ่ากพุทโทเพุทโาพุทโทวัดพุทโทเบอร์แหลมบนพุทธโทษคนนี่พานสะว่าจะไหนมาจับิีมมาจับขีม รู้แล้วจะตาผ้าโล้มันจะเป็นเตโต้พิษเน่าแน่หมอผมนะจุดต่อวันนี้เนาะได้เออสมมติว่าสิถามค่ะเนี่ยซือบักตูละบาทบักตูละบาทก็ขาดทุนเขาก็จะ่อบักตูเออจะได้บาทเดียวเท่านั้นเออซื่อซื่อสองักตูละสองบาทเอาขาดทุนบวกเขาไปอีกออ ซื้อสามบาทเอาสามไปคูณอีกเอาสามคูณก่อนะสิบเก้าเอาซื้อสิบบาทเอา1ิบไปคูณกับสิบเก้ากรลูกทุนนั่นเนาะนั่นถึงจะขี้ก็คู่ขี้ก็คู่คูกันยกกันยังบระท่านไ่ต้งเสียหายอันนี้สัวย่อ้ยสร้างหอท่านลอยพักตัวพันฟักตัวเห็ุการณ์อะไรเป็นสิท่านทำก็ ตามพนั่ามคำสอนอทศาสมสอนหเลลงบ่าลงบ่าลงนักอนักแค้นมั่นี้ยว่มีอะไคำสอนอรุทศาสจะเอาเท่าันแหละวัดถือวัถือวัดถือได้เอาใบยมุกเนี่ยหัหลายกรทอถนนอ่านไปเฉพาราวถือวัถืออแยกแกเพาไป ถ้าเนี่ยหมอนงอยนี่ยุดอกสีนี่มอนสมัยหนูจบอกสมัยดองสีอันกาเอ็ดนี่ดอกไม้ดสีก็เอ็ดนี่มหาห้อที่มหาภูกขาที่แรงเด็กที่ห้าปีนี่แหละสมัยเออัยสมัยีเลยเอ็ดเอออยู่ไรเอ็ดเราเศ้าแล้วเด็กเราเราเศ้าแล้ละี น, นี เ, เงินพอส่ละเดีร์เไินพส่เช่าเราละว่าได้หลาพมหาล็อปูนีเงินพอใส่ละว่ได้เหลือเหลือเลยครับล็อปูไข่ใครนะครับมึงคนไดนบอกเข่าพักแง่คือล็อปูสักคนเนาเช่าเรานีเงินพอใ่ละเดีย่าเงนินก็สบายใจกระซังไปวันพระเลียนเรียกคนนะผมจะไปอะไรเขาดูถูกยืนทาว่าหงนเจงคะแนนเด็กกบุกสันแล้วบานเนี่ยมา มาเลอ่นอ่นบมุงแล้ก็มีแนวยิเศ้าเศ้าบ่ได้บ่ได้บ่ได้บ่ได้บ่ได้บ่ได้ชิหายชิหายชิหายไวหดหมดคตเี้ยงคต้นนะะวดดคเงี้ยโคต้นบ่ได้บ่ได้บ่ได้ไบ่ได้บ่ได้ชิวหายพักกนไปเ็ไดบ่ได้บ่ได้บ่ส่งเสริมบ่ส่งเสริมบ่อันวอะเิดดีสายดี ตอนได้เนี่ยก็ส่งเสริมน้ำมนอย่างนั้นบองนีแหละน้ำม้นเนี่ยเราบองนึ่งเลยบอง่อยเฮ็ดหนึงนี่หละมหาน้าม้อนห่ะบอน้มอนพรมคือนี่เนี่บอพมได้มันกับว่าถือมันกับ่าดีดอกน้ำม้อนของเขามันก็ใหม่อันนั้มันเสียสารอ่ะพอถสร้างชาติแปลว่ามันเพ่งอยู่อันน้นมันสว่างไปมันเป็นอุปจาระ อุปจาระชาติก็ว่าอุปจารภาวานาคือว <the> <momento> ่าอุปจาระสมาธิก็ว่าถวัางฆาจันละนะควว่าอุปจารสมาธิก็ว่าอุปจาระชาติก็ว่าชานงไปว่เพ่งอยู่สมาธิไปว่าตั้งมั่นอยู่ในนนมิตแเพว่าขันขันบาขันนั่นคือเบิรเป็นสัญลักมันจะแีนโน้เป็นัลักอณรวมในพุทโธค่ะร่วมในทโธแล้วเนาะถ้าท่านมัน มันโวลดมันผลแต่คืออย่างนี้ตัวห้นังเสียมมันเดินดินดินบนในอากาศบนตัวหัเหินเดินอากาศตัวของตัวไฮนังเทียมสะกดไงหรอก็ม่างก็ถอนออกมาคือกันเ้าจะถ้าถอนออกมาถ้ามันปดกรล่างก็ถอนออกมาให้ก็นอนลง่อนี้รรทุกครั้งอนุาครัค่ะท่ำปานนี่บนกุศลท่านนี่อย่างนี้แต่อันนี้จังนองห้องกระบอกนสั่ง รกทรทรัพนี่ยังเยอะอนาจอะไรย่างเกิดนี่ดับนี่ให้ข้าเห็นไม่ว่าเลอันนี้ยังโมเมนาในพ่านเขาว่ัถนอะบยังมาทำนงานพระในพ่านภายในพ่านมันบเดเพื่อนน้ำยังดอกนิมิตไมนกินอูพอนนิิตรก็กิงอยู่พออันนั้นนะไม่ใช่ภายาที่กู่เจ้าก็บังมันจะเปล่นบางครือีสมเคื่อที่ิกันเลยอืมจะม่ามันนล้เปล่นสถาะมันไม่ท้าเหมือนเครืองู ทำมันก็ไม่ทํามันเครื่องยูถ้าม่ทํามันเครื่องยูถ้าอย่างนั้นมันมีทํามันเครื่องยูบริกรรมเขาแปลว่ากากับอยู่บริกรรมเขาแปลว่ากากับอยู่ผู้สาขาภาอีสานฟังออกหมเขาเคอยู่นาน้ยออยู่อยู่อออยู่ออู่ย่่ยย่อยอ มันจะถามถ้ามันจะมาเสียเวลามากค่ะแต่ต้กลุ่มค่าค่ะกลุ่มค่ามันมันแน่ราบอกลุ่มค่าปีนขึ้นพูดแน่เระบอกคือแต่ก็ไรคืออืมไ้หืยแรงมั่นี่อือแต่กาไร้หือความยินดีในธรรมชณะความยินดีทางปวงความยินดีในธรรมความศึกษาในธรรมชนะความศึกษาทางปวงแล้วพระท่านังธรรมทานังชนอาทิ ให้อันไหนเป็นธรรมกับปทอให้ธานมเป็นธรมให้อะไรเป็นทานก็ไม่ธรรมให้ทรรมเปทานให้ทํรบเปทานชนะทานทั้งปวงธรรมสาคช า, ชาเอตมังขรมุตตะมังการยายธรรมะสาคชาการสวนธนาธรรมาตามการตามเวลาเป็นลงคนอนุรมดีของเทวดูดาราเมตต์ทั้งหลายดีมันหมเนี่ยภาวนาแปลว่าทาให้เกิดให้มี ร่วมศีลร่วมสมาธิร่วมปญัญญาลงในบนพระอานาเนี่ยพระอานาจร่วมร่วมร่างฐานมันจะเกิดมันสิดับไปก็ยามั น, นมันจะเกิดแสงพระกิจกรรมพระอาทิตย์เทื่อพุทธเชื่อหามากกัสามมันมันทั้งมาเองมันทั้งเกิดเองมันทั้งดับเองเขาก็รู้ตา ม, มจริงเขาจะสื่ไปเรื่องกรรมฐานเดิมๆๆกรรมฐานเดิมที่เขาตร้างไหวแต่เรื่องกรรมฐานเดิมนั้นมันเป็นวัดตาเหลืองไหวบนในเครื่องแหลมใส่อ็มอะไรและเสื่อมกรรมฐานเดิมอีกอย่างมากกับง ลูกของท่านพ่อเขากรรมฐานเดิมรถคือเฮือรมันแล้วเพราะฮอนนี้จากเฮือคือฮ้อจะเฮือนิส่านนี่ยังมาอยาไวมากก็ตามอยุ่เฮือนยู่านนะเวอยนเห็นคนว่าตัวนี้กาเฮือมีฮ้อนเสอเน่คือกเห็นนี้เห็นนี้งดมากเราประสอนนี้ก็กรรมฐานเดิมมันกับวัตถุกรรมฐานเดิมเรคืออาจารย์เดิมฉันทะพอใจละไข้ในกรรมฐานที่ตั้งไ วียเพื่อนหม่าก่อนในกรรมฐานที่ตั้งไว้ยึดต่เอาใจฟักไขในกรรมฐานที่ตั้งไว้ม่อวานไม่มังสาวันติ้องพุทจารยนในกรรมฐานที่ตั้างไว้คุณสีอย่างนี้มีบริบูรณ์แล้วอาจรักนบุคคลให้ถึงสิ่งที่ต้องขสมควรใจใสทำหลวงสี่คนโทรมานี่บ่เข้าใจแล้น่ไม่นั่งซื้อก่อนไหมรอไม่ยู่อ่นนังสือแต่งใหม่ไมู่้ค่ะอังแต่งเอาอ่านอ่านจะเข้ากแล้วแตก็จประวัติองผู้นันอืม ่ว่าท้องเขายังม่ได้อ่านเอออ่านก็ท้องเขานี่สุดท้าแต่ว่มันเกอ่าออเลยเพระว่าท้องเข้าอย่าไรันตะเอียดายจะไปใกลมันจะที่ไหนอ๋ออามมันตายไปพรุ่งนี้กับเที่ยวเทวดาอะไรว่างแคจ็สุประตุ้นกระตุ้นที่เทวดาตายแล้วก็ไปเป็นเทวดาหันขึ้นมาตายอีกหันมาแล้วเป็นเชือก่อว่าะไรเ่ย ยนีเน่าามเนียนดีนวันาเมือแกมื่แกมาตายมาเหนียวเห็นยังมาสร้างโมเดลสอนเห็นแล้วก็เพราะให้ติดเห็นแล้วก็เาให้ติดติดชไหมมันเกิดขึ้นก็ผ่านแตรักก็าในเท่าอย่นอค่ะออเากัติดดวงไหอวก็ต้องนเงินที่กสนบริจาคมาต้องเงินีเาง เรานั่งลงเต็นท์บ้างที่บ้านเาบ้าเราตะบนาจะเป็นรบ้าให้ตบนาในร่างกายานี้แล้วถ้าเขาจะรูปอะไรใหญ่ประมาณมาณ 2-3 คนเลยฮะวข้างในนี่เ็ติดต่อเรได้ไม่มีร่างกายของแตผมมีสย์นานี่มีร่างกาย แล้วถ <mile> ้ามีมีคนมาไกลไปรู้ประเทศใ่ไหมลุงนี่เาว่าอันนี้เป็นเป็นอาณักเป็นวาเราเรามีันทีต่างแต่าแดนอ่าตนี่ครว่าก่ระยากข้ามาสมีตวแก็อนับง มีกำลังลมหายใจเข้าออกพ้าเห็นทุกข้อก็ลมหายใจเข้าออกตอนนี้ลมหายใจตอนนี้คือการจะดัดอาณาบาทไปที่ตรงนี้ลมหายใจนี่น่ากลัวตามมาแล้วหายไปเลยเขาเริ่มเริ่มนั่งมาที่ลมหายใจเข้าออกแล้วตามมา มันละเอียดมันละเอียดไม่หายเลยเลยมันไม่มันไม่มีมันไม่มีน้นไม่ตกไม่มีกระดนเบาเลยขนานี้เจ้าผองไบัติแล้วก็สอนสอนากตีทั้งคันกั้นากาติดของกลาทอยู่กันนั่งสมาธิใีสดอยากไดรื่องของลงานันนี่อยากไา้อยากได้ครับ ก็โทรผ่าน็ายข้าโทรอยู่ที่ทำได้ส้เรวที่สุดไหมพาว่าเราก็สามารถที่รการอาจจะดีที่ันหนักหัห้ร่องน้ดราะพยายามที่ขนาดนี้ที่สอนที่ทำอยู่ในใหให้ใ้จิตใก็ไม่เ พ่อโลก่ออนอารมณ์ก็่อนออารมณ์พโลกับผู้ทีูพพโลก็เป็นทำอันหนึ่งเนอไม่ใช่ไม่ใช่บุคคลเนะพโลก็เป็นเจ้าสาวพ่อโผู้เห็นเจ้าสาวเห็นเนอะอผูโลก็มีใรไปยึดถือาเป็นเจ้าของพโลก็เป็นผู้ลูว่าแม่นัานก็ทานด้วยมานก็ทาน แมต่บุาโยมดที่มีก็อยู่ที่นที่ที่ที่ปากลานคือทุกขันญาติโยมนัสมาิเยวในที่สดที่สุดที่สุรก็ตัดไปอ่ะอ่าฮาอนตอนาตอ่ะเป็นเกษตรรู้เป็นกษรเห็นนะเวลาที่ัดกันหาทุกระดับทุกกระดับทุกกระดับทุกระดับได้ร็หัดหักรดับกหัดตัมมีมีมีโยมโยมนั่นโยมสมบูรณนั่รับ ก็ข้าวกัผมก็สูงมากก็ได้เหมือนอย่าง้าบมที่สามารถที่จะคือคข้าตัวรู้ยัน่อาวกับผมยังไม่ทราบว่าแนวทางนี้ทําทถูกอยู่ถ้าไปยึดตัวรู้เป็นนคนเป็นตนนูวรู้ก็มีอุปทานอยู่แล้กัะไปยึดตัวรู้ก็ไม่ได้ไม่ได้อย่างนั้นก็เป็นอวิชาตปัญหาอุปทานเห่างนั้นมันละล ะ, ละสิ่งูเมื่อรู้เท่าไรมันละเองมันมันละเอง ถ้ามันรู้เท่าจะสมมติว่าละตักเียงอะไรมันก็ละไม่ได้ถ้ารู้เท่ามันมันละเอง้าข้าเราลืนตายอย่างนี้เราไม่ได้คุมมันหนีอันมืดมันไปเองนั่งเมื่อรู้เท่าว่าไม่ใช่สารไม่ใช่บุคคลถ้าก็ผมพยายามจะอ่านถือภาษาอนังอ่าบกาที่ไม่ใช่หรอมคงคงย่อ ถ้าเราสำคัญว่าตัวลูกเป็นเราเราเป็นผู้ลูกมันก็มีอุปทานเหมนกันลูกก็เป็นแต่สักวะลูกจิตก็เป็นแต่สภาวะจิตผู้ลูกเป็นแต่สภาวะลูกสิ่งที่ให้ลูกก็คือในนี้ไงชุกเพียงแค่รู้เท่านั้นผู้ลูกได้เกิดดับเป็นเหมือนกันเน้อเกิดดับอย่างละเอียดเน้อผู้ลูกเกิดดับอย่างละเอียดเผู้ลูกเป็นอน้จจ์อันละเอียดเน้อเป็นภบอันละเอียดเน้อ พระรูปกำลังพบอันละเอียดนะการมาพบลูกมาพบกับลูกมาพบอันละเอียดเท่ากันพระรูปเนี่ยพระรูปทำไมผู้ประยเถือกเป็นเจ้าของต้องเป็นอุปท า, านอย่างนั้นกันแต่าาสิ่นี้ก็เหมือนกัน ผู ates, ้ร uh. okay. yeah. ูก็เป um, okay. ็นเจ้สภาวะรู้จะเจ้สภาวะรู้ก็จะสภาวเห็นอ่ะโยมกรพรโยมสามขการองารโยมไม่พนาอแสดงธรรมะแสดงขยายออกให้เห็นธรรมะอ้ิจท้อห้อแสดงเห็นมาเราก็ผู้เห็นเลยทุกๆอุเบกขา ก็ลูตามันจริงของมนะุกเบี้ ข, เขาเนี่ยเกิดขึ้นแล้วกขาแลกคนนั้นแตกแสลา ย, ย น, น, นันะ่นเหละนั่นดีวนะน่ะมันจิสอนนะะมันสะเ อ, า, อบ า, าบาา่ า, บ า, ย า, บ า, ยายเขาเบอน่าลูกเขาอบายเขาเบรนาาเกิดแกจะตายต